ก่เลสปิดร่องรอยของจิต ท, ที่ผ่านมาเราจะเรียนมาจบกีพระไตรปิฎกก็ตามันวาสามพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะวินัยปิฎกสุดตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกคือภาชนะสำหรับรับรองทางด้านวินยัยรับรองทางด้านพระสูตร เรื่องราวต่างๆของสัตว์โลกทำดีทำชั่วตกนรกไปสวรรค์อภิธรรมปีดกนี้แสดงถึงเรื่องจิตล้วนๆแสดงตัวออกไปเพื่อบาพเพื่อบุญนี้เราจะเรียนมาขนาดไหนก็ตามเหล่านี้เป็นความจำถือมาเป็นสมบัติตัวเองไม่ได้นะเพียงความจำเท่านั้นจะเอามาเป็นสมบัติไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติตน ผลเกิดขึ้นมาทีนี้เป็นของเราของเราส่วนเรียนมานั้นยังไม่เป็นเป็นแต่เพียงความจำเฉยๆถ้าจำแบบไม่สนใจอะไรเลยก็เป็นนอนแทะกระดาษไปเลยไม่ว่าหญิงว่าชายว่าครวาดหรือนักบวชเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติเหมือนแปลนบ้านเราเนี่ยเอามาไว้เต็มห้องก็เป็นแปลนเต็มห้อง ไม่ได้เป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามอะไรเลยมีแต่แปลนเต็มห้องดึงแปลนนั้นออกมาจะเอาแบบไหนแบบไหนแล้วปฏิบัติตามแปลนสอนปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขนาดที่เจ้าของต้องการละ่ะเอาได้นั่นละ่ะเป็นปฏิเวทคือเห็นผลแห่งการปฏิบัติของเราเรียกว่าปฏิเวทนี่ละ่ะเรียนในพระไตรปิฎกเป็นความจำจะเรียกว่าเป็นสมบัติของเรายังไม่ได้ จำมาเหมือนกับว่ามีตะปันเต็มบาก็มีตะปันถกาดึงขึ้นมาปลูกแล้วนั่นหละเป็นของเราแหละนี่ภาคปฏิบัติเรียนมาเพื่อปฏิบัติถูกต้องเรียนมาเพื่อความฟุ้งเฟอ้เอเหอเหิมเป็นกิเลสไปหมดเลยไม่เป็นธรรมเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งเ ย, ย่ยรหยิงจองหองพองตัวและทำลายตัวเองและศาสนาไปกับความจาที่เรียนมาด้วยความทะนง ความทะนงตัวนั้นคือกิเลสความไม่ทะนงตัวคือธรรมสอนแสวงหาความจริงท่านสอนว่ายังไงก็ปฏิบตัติตามนั้นตามนั้นผลก็ปรากฏขึ้นมามีจึงพูดถึงว่าพระไตรปิดกออกจากหัวใจพระพุทธเจ้านั่นคลังแห่งพระไตรปิดกพระสงฆ์สาวกเป็นลําดับลําดา กว้างแคบหนาบางต่างกันตามนิสัยวาสนาแต่เป็นสมบัติของท่านหมดพูดง่ายๆว่างั้นท่านส่งไว้ทั้งหมดเลยนี่ภาคปฏิบัติออกมาแล้วเป็นมรรคเป็นผลในพระไตรปิฎกนั้นคือถอดออกมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้ามาสอนเมื่อสังคยาที่จดจารึกออกมา สังขยาหนาร้อยกรองพระธรรมวินัยด้วยปากสนทนาด้วยปากทีนี้ก็มาวิตกวิจารณ์ว่าต่อไปข้างหน้านี้ถ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นพระอาหารหันต์เป็นต้นหมดเส้นไปแล้วจะไม่มีหลักมีเกณันตายตัวมาเดินเดินตามได้เลยจดจารึกไว้เสียนั่นแหละท่านจึงจดออกมาเป็นพระไตาปิดกออกมาจากพระพุทธเจ้านั่นเองจะออกมาจากไหนทีนี้เราเรียนมา ก็มีแต่ความจำสิไม่มีความจริงดังพระพุทธเจ้ามีเรียนมาแล้วก็กลายเป็นกิเลสไปเลยเพราะเราจะเอาไปทำทางไหนก็ได้มีดเล่มนี้เอาไปฟันฟักแฟงตังโมมากินก็ได้เอาไปฟันหัวคนก็เลือดสาดออกมาตายได้นั่นธรรมะอยู่กลางๆนั่นละ่ะน้อมความฉลาดของธรรม ไปเป็นความฉลาดของกิเลสเสียก็ทำลายโลกได้น้อมความฉลาดของธรรมเพื่อยกตนก็ยกตนขึ้นได้ได้โดยลำดับเนี่ยลละธรรมเป็นของกลางเหมือนกันถ้าดึงออกไปทางกิเลสก็กลายเป็นกิเลสไปเสียธรรมในพระไตยปิฎกมากขนาดไหนออกจากหัวใจของพระพุทธเจ้าของพระอระหันต์ทั้งนั้นไม่ได้ออกจากที่ไหน ทีนี้เวลาเราเรียนแล้วมาปฏิบัติมันถึงเข้าใจกันถ้าเพียงเรียนเฉยเฉยไม่รู้ปฏิบัติมากน้อยรู้รู้มากน้อยตามกำลังทั้งเรียนทั้งปฏิบัติด้วยแล้วเป็นผู้มุ่งต่อความจริงล้ว น, ลวนและมากผลนิพพานเต็มหัวใจและพุ่งเลยเชียวป่นนั้นก็กลายเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องไปหมดเลยไม่ได้อยู่ในห้องนี้หับเหมือนแต่ก่อน ถ้าเอามาปฏิบัติเราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติปรากฏขึ้นในใจแล้วจ้าจ้าเข้าไปยิ่งกว่าพระไตรปิฎกนั่นยีนะ่ะเพราะการปฏิบัติพิสดารมากทีเดียวทำไมจึงพิสดารเราเอาหัวใจเราว่าเลยเราเรียนมาโลกเขาก็ยอมรับว่าหลวงตาบัวนี้เป็นมหาบัว เรียนจนได้เป็นมหารั้นเวลาออกมาปฏิบัติแล้วที่เรียนมามากน้อยไหลเข้ามาสู่การปฏิบัตินี่หมดนะอยู่โน่นไหลเข้ามานี้ความจริงอยู่นี้อยู่นี้รวมอยู่นี้ทีนี้แตกขแขนงออกไม่มีประมาณความรู้ภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตาภาวนานี้ไม่มีประมาณนะกว้างขวางลึกซึ้งมากทีเดียว เราเรียนตามคัมภีร์ใบลานเรียนตรงไหนก็รู้ก็จำได้ตรงนั้นตรงไหนที่ยังไม่เรียนเช่นหนังสือเล่มเดียวกันเราอ่านไม่จบเราก็ไม่เข้าใจได้หมดจำไม่ได้นะ่ะถ้าเราอ่านไปเท่าไรเราก็จำได้เท่าที่เราจำได้นั่นแหละแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยตีกระจายออกไปหมดตีออกยังไม่เคยคาดเคยคิดไวเลยก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมา เห็นขึ้นมาตรงไหนยอมรับยอมรับเพราะความเป็นจริงล้วนๆขึ้นมานั่นภาคปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาจึงพิสดารมากนะภาคปฏิบัติความรู้ทางภาคปฏิบัติกับปริยัตต่างกันมากเราก็เรียนมาแล้วเวลามาภาคปฏิบัตินี้ปริยัตทั้งหมดเลยไหลเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติอันเดียวกันหมดเลย มารวมอยู่ที่หัวใจอันเดิมอันเดิมนี่คือใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์และถอดออกไปจากนี้ไปเป็นพระไตรปิฎกเวลาปฏิบัติพระไตรปิฎ KN นั้นเลยไหลเข้ามาสู่ความจริงนี้ทั้งหมดแต่กระจัดกระจายออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นนี้เห็นขึ้นในใจในใจรู้ในใจนอกจากจะพูดหรือไม่พูด เป็นเรื่องความรู้จักประมาณของตัวเองเท่านั้นเองไม่พูดก็ไม่หนักพูดก็ไม่หนักเพราะไม่มีคำว่าอยากความดิ้นรนธรรมะเป็นอย่างนั้นสงบเย็น